ในรัตนาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสองพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐาน